การ้อนพรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาจจมีใจกุศลทุ ก, ท, กทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24พิพฤศจิกายนพุทธศากาักราช2556าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญเพราะบุญนี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อจิตใจบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของจิตใจร่างกายก็ต้องการอาหารจิตใจก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันอาหารของจิตใจก็คือบุญอาหารกของร่างกาย ก็คือกับข้าวกับปลาของขาวของหวานขนมนมเนยต่างๆซึ่งมีหลากหลายชนิดด้วยกันฉันใดอาหารของใจคือเรียกว่าบุญก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันบุญที่พระเจ้าทรงตรัสสอนนี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกันแบ่งเป็นสองกลุ่มคือบุญที่เป็นบุญหลัก อาหารหลักและบุญที่เป็นบุญเสริมหรืออาหารเสริมเหมือนกับกับข้าวอาหารของร่างกายเราก็มีอาหารหลักเช่นกับข้าวกับฟแล้วแล้วเราก็มีอาหารเสริมเช่นพวกขนมนมเนยผลไม้อะไรต่างๆสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คืออาหารหลัก เช่นข้าวกับข้าวกับปลาส่วนอาหารเสริมนี่มีบ้างก็ได้ขาดบ้างก็ไม่เป็นไรเช่นพวกขนมนมเนยผลมไม้ต่างๆบางวันก็มีรับประทานบางวันก็ไม่มีรับประทานอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหามากแต่ถ้าขาดอาหารหลักเช่นขาดข้าวขาดกับข้าวขาดน้ำดื่มอย่างนี้ก็จะ เป็นปนัญหากับสุขภาพของร่างกายได้ฉันใดบุญก็เหมือนกันบุญก็มีบุญหลักและบุญเสริมบุญหลักคืออะไรก็คือบุญที่เกิดจากการให้ให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม และบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ถือเป็นบุญหลักที่พวกเราจะต้องมีอยู่เรื่อยๆต้องทำอยู่เรื่อยๆคือทำทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมพยายามทําใจให้มีความเห็นที่ถูกต้องส่วนบุญเสริมนี่ก็มีเช่นบุญอุทิศ เวลาเราทำบุญให้ถ่านแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเรียกว่าบุญอุทิศอนุโมทนาบุญก็คือเวลาผู้อื่นทาบุญเราก็ร่วมอนุโมทนาชื่นชมยินดีไปกับการกระทาบุญของผู้อื่นแล้วก็บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้บุญที่เกิดจากการ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะต่อการะกันอันนี้เรียกว่าบุญเสริมบุญที่เราทำไปตามโอกาสเช่นวันนี้เรามาทำบุญให้ทานซึ่งเป็นบุญหลักของเราเราก็สามารถทำบุญเสริมไปได้ด้วยคือแ บ, บ่งปันบุญที่เราทำในวันนี้ ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเพราะสิ่งเดียวที่ผู้ที่ร่วงรับจะรอรับได้ก็คือบุญอุทิศนี้เองเราไม่สามารถส่งอาหารกับข้าวกับปลาของขาวของหวานส่งเงินทองไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปได้แต่เราสามารถส่งบุญที่เราทำกันนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็มีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆคือผู้ที่รับบุญได้กับผู้ที่รับบุญไม่ได้หรือผู้ที่ไม่จาเป็นจะต้องรับบุญพวกที่เป็นเศรษฐีบุญตายไปเขาก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเขาก็มีบุญมากเขาเป็นเศรษฐีบุญบุญที่เราอุทิศไปนี้เป็นเหมือน เงินให้กับขอทานยังไม่เป็นความหมายอะไรสำหรับพวกที่เป็นเศรษฐีบุญพวกเทวดาพวกครงพวกพระอริยเจ้านี้เขาไม่ต้องอาศัยบุญอุทิศอีกพวกหนึ่งที่ไม่สามารถรับบุญอุทิศได้ก็คือพวกที่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานพวกนี้เขาก็ต้องหากินหาอาหารของเขาเองแล้วก็พวกที่ไปตกนรก นี่ก็ไม่สามารถจะรับบุญได้เพราะกาลังถูกไฟนรกเผาอยู่ไม่มีกระจิตกระจยที่จะมารอรับบุญของผู้มีเพียงเดียวที่รอรับบุญอยู่ได้ก็คือพวกขอทานทางจิตวิญญาณคือพวกนี้เวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจกับการทาบุญสนใจกับการทำบาป เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มากๆ <c oughs> คือทาบาลด้วยความโลภพวกที่ทาบาลด้วยความโลภนี้ตายไปก็จะเป็นขอทานทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตนี่เปรตนี้เป็นพวกเดียวเท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญที่เราอุทิศไปได้ไปให้ได้ดังนั้นเวลาที่ญาติสนิทมิสหาย บิดามารดาผู้ยาตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านร่วมรับไปแล้วถ้าเราเห็นว่าท่านไม่ได้ทาบุญเลยอันนี้เราก็ควรจะทิศ ส, ส่งไปให้กับท่านเพราะท่านอาจจะไปเกิดเป็นเปรตเพราะเนื่องจากตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ทาบุญมัแต่ทาบาปเพื่อที่จะให้ได้ ทองมากๆได้เงินมากๆแล้วก็หวงเงินหวงทองไม่อยากจะให้ใครพวกนี้แหละจะเป็นพวกที่จะเป็นขอทานทางจิตวิญญาถ้าเราไม่มีคิดว่าเราไม่มีญาติสนิทมิตสหายที่จะไปเป็นขอทานเราก็อุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเองไปคือผู้ที่ เรารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีผู้ที่เคยเป็นมิตรกับเราก็ดีหรือเป็นศัตรูกับเราก็ดีเราก็อุทิศบุญส่วนนี้ให้เขาไปก็ได้นี่คือบุญอุทิศที่เกิดจากการที่เราได้ทําบุญให้ทานอย่างวันนี้ญาติโยมได้ตักบาตรได้ถวายกับข้าวกับปอาหาร ถวายข้าวของต่างๆถวายเงินทองให้แก่วัดอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญนี้เกิดแล้วเราก็แบ่งอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่ำรับไปได้นี่คือบุญหลักที่เราควรจะทำกันอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเรารับประทานอาหาร วันหนึ่งเรารับประทานอาหารวันละสามสี่ครั้งด้วยกันบุญเราก็ควรจะทําทุกวันทําใส่บาตรบ้างให้ขอทานบ้างบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆบ้างให้กกับญาติสนิทมิตสหายบ้างให้กับใครก็ได้ถือว่าเป็นการทําบุญด้วยกันคือเกิดจากการเสียสละ เกิดจากการบริจาคของส่วนตัวของเราให้แก่ผู้อื่นไปเพื่อให้เพื่อให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขเวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขใจกลับมาเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจมีความภูมิใจ อันนี้แหละคือบุญของเราไม่ต้องรอให้เขามาขอบอกขอบใจไม่ต้องให้ใครมาให้รางวี่รางวัลบุญเกิดขึ้นทันทีถ้าเราทาด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับต้องการที่จะช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาให้เขามีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไป นี่คือบุญที่เราควรจะทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นบุญหลักบุญหลักข้อที่สองก็คือการรักษาศีลเราต้องละเว้นจากการทําบาปคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเสพสุรายาเมาพูดปดเล่นการประนันเที่ยวกลางคืน คนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคราการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่จะนำไปสู่ความทุกข์สู่ความหายณนะถ้าเราละเว้นจากการกระทำเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะมีความสุขเพราะว่าเราไม่ต้องมาทุกข์กับการกระทำบาปของเรา่านั่นเอง แล้วก็บุญข้อที่สาที่เราควรจะทำกันอย่างต่อเนื่องก็คือภาวนาภาวนานี้แปลว่าการพัฒนาจิตใจพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นยกระดับจิตจากการเป็นมนุษย์ให้ได้เป็นเทพเป็นพรหมพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอาหารหันต์หรือขั้นพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดจากการภาวนา สมถะภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาถ้าจเจริญสมถะภาวนาได้ใจก็จะเป็นระดับพรหมถ้าจเจริญวิปั ส, สนาได้ก็จะเข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่คือบุญที่เราควรที่จะทำกันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการภาวนานี้เป็นแก่นของบุญเลยเป็นบุญที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นบุญที่จะสามารถทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้บุญอย่างอื่นนี้ยังไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นได้เพียงแต่ว่าทําให้เรา มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปเท่านั้นเองแต่ความทุกข์จะไม่หมดไปถ้าเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญส ม, มถภ า, าวนาทำใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสนาภาวนาทำสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะการหลงยึดติดนี่แหละ ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือบุญหลักข้อที่สบุญหลักข้อที่สก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เรื่องบุญต่างๆเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเราได้ฟังเทศอยู่เรื่อยๆ เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างเช่นวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเรารู้แล้วว่าเราต้องทำบุญหลักแล้วก็ทำบุญเสริมตามโอกาสบุญหลักก็คือการทาทานการรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้อง ก็เป็นผลที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดจากการภาวนาถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอกีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเช่นมีความเห็นว่า การทำบุญเท่านั้นที่จะนำความสุขความจเจริญมาให้กับเราการทำบาปจะเป็นการทำให้เราจะต้องไปใช้โทษต่างๆในอบายถ้าเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายเราก็ต้องไม่ทำบาปถ้าเราอยากจะลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะไปเกิดในสุคติเกิดเป็นเทพเกิดเป็นโพล เกิดเป็นพระอาริยบุคคลเราก็ต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยเมื่ อ, เ ร, อเราได้ทำบุญอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความสุขมีความเจริญเพิ่มขึ้นไปตามลาดับ ภพชาติก็จะมีน้อยลงไปลตามลำดับความทุกข์ภายในใจก็จะมีน้อยลงไปละตามลำดับจนหมดไปในที่สุด mm hmm. เกิดจากการทำบุญหลักทั้งห้าข้อนี้ส่วนบุญเสริมเราก็ทำไปตามโอกาสเช่นอุทิศบุญเวลาเราทำบุญร่วมอนุโมทนาบุญเวลาผู้อื่นเขาทำบุญ เวลามีเพื่อนบ้านทำบุญเรามีว่ามีเวลาว่ามีโอกาสก็ร่วมทำบุญไปกับเขาไปช่วยเหลือเขาก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีการร่วมม้ร่วมเบอกันช่วยเหลือกันเราก็ไปร่วมกันช่วยเหลือกันเพื่อให้กิจกรรมนั้นสำเร็จล่วร่วงไป ได้อย่างง่ายด้และรวดเร็วหรือการไปทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นวัดก็ได้โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้สถานที่สาธารณะต่างๆเช่นช่วยกันเก็บขยะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญถ้าเราเห็นบ้านเมือนสพขปรกมีข ย, ขขยะเกลื่อนไปหมดเรามีเวลาว่าง เราก็ช่วยกันเก็บขยะเอาไปทิ้งตามที่ที่สมควรจะทิ้งก็จะทําให้บ้านเมืองของเราดูสะอาดตามีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขใจนี่คือบุญที่เกิดจากการมีได้ไ ด, ได้รับใช้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็บุญที่เกิดจากการมีความออกน้อมถ่อมตน คือทำตัวให้เป็นผู้น้อยอย่าอวดเบงอวดเก่งอวดดีอวดร่ำอวดรวยให้พยายามถมเนื้อถอมตัวไว้เพราะคนที่ถมเนื้อถอมตัวนี้จะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครเบื่อที่หน้าไม่เหมือนกับคนที่ชอบโอ้อวดต่างๆอวดดีอวดเก่ง ถือเนื้อถือตัวจะทำให้ไม่มีความสุขใจคนที่อ่อนออ น, น้อมถ่อมตนถ่อมเนื้อถ่อตัวนี้ไปอยู่กับใครก็จะมีแต่คนชื่นชมยินดีไม่ลังเตียจก็จะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขกับผู้อื่นได้แล้วก็บุญเสริมข้อสุดท้ายก็คือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น ถ้าเรารู้ธรรมะข้อใดแล้วมีผู้ที่เขาอยากจะขอความช่วยเหลือเราเกี่ยวกับทางด้านธรรมะเราก็ให้เขาไปเช่นเวลามีคนมาปรับทุกข์ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจถ้าเรารู้ว่าความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจของเขาเกิดจากความอยากของเขาเราก็บอกให้เขาระความอยากเสีย อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากได้อย่างสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าถ้ามันจะได้มันได้ไปนานแล้วถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะได้นั่นเองดังนั้นอยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เรายอมรับความจริงว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่เราได้ตามใจอยากและมีสิ่งที่เราไม่สามารถได้ตามใจอยากของเราพอเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็ควรจะหยุดความอยากอย่าไปฝืนความจริงอย่าไปฝืนธรรมชาติเพราะจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆ หรืออาจจะทำให้เราต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมโดยใช่เหตุนี่คือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะแต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆมีแผ่นซีดีธรรมะดีๆเราก็เอามาแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้แต่การให้ธรรมะนี้ ควรจะให้กับผู้ที่เขายินดีรับถ้าเขาไม่ยินดีรับก็ไม่ควรที่จะให้เพราะจะไม่เกิดประโยชน์จะเสียเสียเวลาเสียของแล้วก็จะทำให้ผู้ที่เขารับนี้เขาอาจจะเบื่อเราไม่ชอบขี่หน้าเราก็ได้เช่นเราไปบอกให้เขาเลิกกินเหล้าอย่างนี้บอกว่าการกินเหล้าไม่ดี การเล่นการพนันไม่ดีการเที่ยวกลางคืนไม่ดีแต่เขาชอบทำสิ่งเหล่านี้เราไปบอกเขาเขาก็จะรำคาญแล้วเขาจะโกรธเราเกลียดเราได้เพราะฉะนั้นการจะให้ท ร, รมะแต่ผู้อื่นนี้เราต้องดูว่าเขายินดีที่จะรับหรือไม่แม้แต่พระพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไม่อนุ ญ, ญาตให้พระแสดงธรรม ถ้าไม่มีผู้ที่จะยินดีจะฟังจึงต้องมีการอาราธน า, าการแสดงธรรมกันก่อนนะเพื่อจะได้แสดงเจตนาเริงของผู้ฟังว่าสนใจยินดีที่จะฟังหรือถ้าไม่มีการอาราธนาแล้วแสดงไปถ้าคนเข้ารูปออกไปหมดก็ควรจะหยุดพูดได้ แต่ถ้าเขานั่งฟังอยู่ก็แสดงว่าเขายินดีที่จะฟังก็แสดงไปได้เวลาแสดงธรรมถ้าเขาไม่ยินดีแต่เขาฟังด้วยด้วยมารยาทแต่ไม่ได้ตั้งใจฟังเช่นนั่งไปแล้วก็ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คุยกันอย่างนี้ก็อย่าไปแสดงเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าคนฟังไม่ได้ตั้งใจฟัง ฟังแล้วจะไม่ได้อัตถรสของธรรมเพราะใจมัวแต่ไปทําอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นการฟังธรรมที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ได้อัตถรสนี้ต้องฟังด้วยต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายสงบใจวาจาสงบเรียกว่าศีลนี่องคือกายต้องนั่งเฉยเฉยไม่ทําอะไรวาจาก็ต้องไม่พูดอะไรกัน ใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูแล้วลอบดูด้วยใจถ้าฟังแบบนี้ก็จะได้อนิสงได้บุญได้กุศลคือหนึ่งจะได้ความสงบสองจะได้ความเห็นที่ถูกต้องสจะกำจัดความลังเลสงสัยไปได้ ถ้าเราสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะหายสงสัยเพราะเราจะได้ยินได้ฟังว่าผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะไปนรกไปสวรรคนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไปที่เมนไปที่วัดไปที่สาลาสวดสด แต่ใจที่ตายจากร่างกายนี้ไม่ไม่ได้ไปที่เมรุไม่ได้ไปที่วัดใจนี้ไปตามบุญตามบาปที่ทำเอาไว้ถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์ถ้าทำบาปก็ไปนรกไปอบายถ้าทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ปฏิบัติทำขั้นสูงได้ก็จะไปพระนิพพาน ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายใจนี่แหละคือตัวเราของเราอย่างแท้จริงแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะเราไม่มีใครสอนถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้ตัวจริงของเราว่าเป็นใจทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดเราก็จะหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่ร่างกายนี้ตายจากเราไปทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรากลับต้องมาร้องห่มร้องไห้เพราะความหลงความไม่รู้นี่เองแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะได้ยิน ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของใจว่าใจนี่แลคือตัวเราที่แท้จริงใจนี่แลที่ไม่มีวันตายไม่มีวันที่จะสูญหายไปอยู่ที่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ถ้ารู้แล้วสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องจากเราไปถ้าเราทำตามความจริงนี่ได้ใจของเราจะไม่ทุกข์เลยการที่เราจะทำตามความจริงนี่ได้ก็ต้องเจริญจิตตภาวนานี่เองต้องทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจจะมีพลังที่จะปล่อยวางได้พลังของใจคืออะไรก็คืออุบเบกขานี่เอง อุเบกขานี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทาใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตารมให้สักแต่ว่ารู้ให้นิ่งอยู่ในความสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งถ้าใจนิ่งสงบเวลารับรู้อะไรก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงความอยากปรากฏขึ้นมาใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะรู้ว่า การไปยึดไปติดการไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราไปตลอด mm hmm. เช่นอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายจากเราไปให้อยู่กับเราไปตลอด mm hmm. เราก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเอง mm hmm. ถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานใจ mm hmm. เราก็ต้อง mm hmm. ทำใจเฉยๆปล่อยวางปล mm hmm. ่อยให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเขา เหมือนกับเรามีของที่เรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเช่นเราไปยืมรถของเพื่อนมาขับเราก็รู้ว่าถึงเวลาเราก็ต้องเอารถคืนเขาไปก็ไม่เห็นมีจะมีปัญหาอะไรถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเราต้องคืนเจ้าของไปชันใดถ้าเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของดินน้ำลมไฟ ถึงเวลาเราก็คืนเจ้าของเข้าไปเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปเราก็ยังเป็นเรามีตัวมีใจอยู่เต็มที่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแหวงขาดไปเลยจากการที่เราเสียร่างกายไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามสอนใจทำใจอยู่บ่อยๆทำใจอยู่เรื่อยๆหัดทำไปเรื่อยๆหัดสอนใจไปเรื่อยๆ ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลาร่างกายแก่ก็ต้องปล่อยมันแก่ไปเวลาร่างกายเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปถ้ารักษาไม่ได้เวลาร่างกายจะตายถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่มีความทุกข์เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายทั้งขณะที่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตาย และในขณะที่แก่ที่เจ็บที่ตายเพราะใจเราไม่ได้ไปบีความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองนี่คือความจริงที่เราจะไม่มีวันรู้ได้นอกจากการที่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นว่ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี แล้วหลังจากนั้นก็เอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถรู้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้และดับความทุกข์ต่างๆไดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ สามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้บุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกที่เป็นผู้ทําหน้าที่สั่งสอนผู้อื่นแทนพระพุทธเจ้าตามลาดับมานับตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงปัจจุบันนี้เรามีผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาและเราก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดต่อไป ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทำบุญทั้งสิบประการนี้เราก็จะได้หลุดพ้ น, พนได้บรรลุเป็นพระอาหาัยตสาวกเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราเพยายามมันทำบุญกันอยู่เรื่อยเรื่อยตามกำลังของเราทำได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ทำทำ ถ้าทำน้อยก็ขอให้พยายามทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำไปจนครบร้อยถ้าครบร้อยแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งได้เพราะนี่เป็นเรื่องของเหตุและผลถ้ามีเหตุก็จะมีผลถ้าไม่มีเหตุก็จะไม่มีผลต่อให้มีความอยากได้ผลมากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าไม่ทำเหตุก็จะไม่เกิดผลตามมาเหตุของพวกเราก็คือการทำบุญทั้งสิบประการนี้บุญที่เป็นบุญหลักและบุญที่เป็นบุญเสริมการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านีขอคุณพระศีรษตธนกรายและบุญกุศล